ขดูหน้าเลยพวกที่เขาขอยกมือยกมือออาลงได้ถ้าเข้าใจหลักของการภาวนานะไม่ยาก เ, เราอย่ไปวาดภาพการปฏิบัติทำมันยากเกินจริงเราคิดแต่ว่าจะต้องทำอะไรทำอะไรจะดีทำอะไรจะพัฒนาทำยังไงจะรู้สึกตัวตลอดเวลา ขั้นสุดท้ายทํำยังไงจะเกิดมรรคผลนิพพานไวๆใจไม่คิดแต่จะทําหน้าที่เราไม่ได้ทําอะไรหรอกหน้าที่เรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นดูไปเรื่อยแต่นี้หมายถึงต้องรักษาศีลไว้แล้วนะเมื่อวัหนหลวงพ่อย้ำหนักหนาเลยคนรุ่นเรายุคนี้คนทุศีลเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเมืองถึงร้อนเป็นไฟ สัตว์โลกมันเปลี่ยนแปลงกันนะขาดศีลธรรมโลกไม่มีความสุขหรอกท่านพุทธทาสท่านหนึ่งบอกนะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศใกล้วินาศเราไปแก้ที่อื่นไม่ได้มาปรับตัวของเราเองรักษาศีลให้ดีนะถูกเขาด่าดีกว่าด่าเขาถูกเขาขโมยดีกว่าขโมยเขานะถูกเขาแย่ง คนรักไปดีกว่าไปแย่งคนรักของคนอื่นถูกเขาหลอกดีกว่าหลอกเขามีสติไปฟังแล้วดูโง่ดูไม่ทันผู้ทันคนระยะยาวนะลองทำอย่างที่หลวงพ่อบอกรักษาศีลไประยะยาวเราจะรู้ถึงความแตกต่างคนไม่มีศีลมีธรรมไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยถ้าเรามีศีลมีธรรมมันมีความสุขนะ้ําเต็มอิ่ม อาจจะไม่รวยเท่าเขานะไม่ดังเท่าเขาอนะไรแต่ชีวิตสะอาดหมดจดคิดถึงชีวิตของเราเองนะ้มันเต็มอิ่มมันเต็มนะมันเต็มมันอิ่มอยู่ในใจเราอยู่อยู่กับปัจจุบันก็อยู่อย่างมีความเต็มอิ่มไม่หิวคนซึ่งมันไม่มีศีลมีธรรมนะ่ะมันหิวตลอดเวลาเลยมันไม่ใช่มนุษย์หรอกมันเป็นเปรต บางคนก็เช้าทิฏฐิเช้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองมากมันก็ไม่ใช่มนุษย์หรอกมันอสุรกายบางคนมันก็หลงหลงโลกนะเตลดเิดเปิดเปลิงก็ไม่ใช่มนุษย์หรอกนะมันเดรัจฉานบางคนก็จิตใจเล่าร้อนอาฆาตแค้นเล่าร้อนทุรนทุรายก็ไม่ใช่มนุษย์นะมีสัตว์นรกอยู่ในคราบของมนุษย์ ถ้าเรามีศีลมีธรรมเราเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆหรือเป็นมนุษย์ระดับเทวดาเรามีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองจะให้เจริญขึ้นก็ได้จะให้ตกต่ําลงก็ได้อยู่ที่การกระทําของเราเองนะอย่างเรามีศีลมีธนะรรมนะผ่านไปหลายๆปนะีเราไปเจอคนที่เคยรู้จักเคยเห็นกันมานะ เมื่อก่อนเราก็แบบเขาอะแต่ว่าพอเร า, าหันมามีศีลมีธรรมพัฒนาใจของเรามาเป็นลำดับผ่านไปหลายปีไปเจอกันเข้านะจะรู้สึกเลยเขาอยู่เขาได้ยังไงวะนะมันดูทุกข์เหลือเกินเนะดูมันมอมแมมมมันหาความสุขไม่ได้เลยบางคนใหญ่โตนะอย่างคนรู้จักกับหลวงพ่อนะตอนนี้มันก็ระดับอธิบดีเนะยอะแยะหลายคนนะ คนก็รวยมาหาศาลไม่เห็นมันจะมีความสุขเลยดูมอมมอมถ้าปัจจุบันมอมมอมอนาคตก็มอมมอม น, นั่นแหละงัพวกเรามีศีลมีธรรมนะเราเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตเราก็ไม่ต้องกลัวเราไม่เห็นต้องกลัวเลยตายแล้วจะไปไหนไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะเรารู้ว่าเราดีขึ้นเรื่อยๆงั้นธรรมะเนี่ยจะให้หลักประกัน ในอนาคตด้วยให้ความสุขในปัจจุบันด้วยฉันบอกศีลใช่ศีลทำให้เรามีภพรัพต์ศีลทำให้มีสุขติเป็นที่ไปปัจจุบันก็ไม่อดอยากยากจนหรอกไม่รวยนะแต่ไม่ไม่หิวคนรวยแล้วยังหิวอยู่เนี่ยมันยังจนอยู่มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านนะมันไม่มีความสุขอะลองไปดู ันมีเงินเยอะทุลนทุไลนะมันยังหิวอยู่มันยังไม่อิ่มมันยังไม่เต็มเวกเรามีธรร ม, มามันอิ่มมันเต็มนะปัจจุบันนีถือว่าเรารวยละ <Yeah. S 1> แค่พออยู่พอกินเราก็รวยของเราแล้วละ่ะ <Yeah. S 1> คนมันจะบริโภคอะไรได้นักหนาบางคนมันลืมโลกลืมตัวเองสะสมอะไรเยอะแยะเลยคิดว่าจะบริโภคได้ตลอดไปมนไม่มีทางเราคนเรานะ มีเงินซื้อข้าวกินวันละร้อยจานมันก็กินได้ทีละจานสองจานเองมีเงินซื้อรถสิบคันมันก็นั่งได้ทีละคันซื้อเสื้อผ้าได้ร้อยชุดพันชุดมันก็ใส่ได้ทีละชุดที่เหลือมันส่วนเกินเยอะเลยงั้นเรามีศีลมีธรรมเราก็รวยอยู่ในปัจจุบันแล้วะมาตรฐานทางโลกนะทางสภาวะอาจจะบอกว่าเราไม่ไม่รวย เป็นชนชั้นกลางระดับล่างอะไรนะี่แล้วแต่ขาจะตั้งนะแต่เราอิ่มอ่ะเราเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองยากจนเรากินข้าวสองมื้อก็อยู่ได้เนา ะ, ะได้พระยังอยู่ได้เลยกินมื้อเดียวยังอยู่ได้เลยเห่นถึงว่าพระไม่ได้ทำงานพระทางานบางวัดกนะ็เป็นขนต้นไม้ขนหินขนอะไรทำงานกันตกเย็นนั้กินน้ำหวานหน่อยหนะ่นั้นเอง อยู่จริงๆก็อยู่ได้เสื้อผ้าพระมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวนะไปเที่ยวรอบโลกได้อมีรองเท้าแตะอยู่คู่ว่าลากไปทั่วประเทศเลยนะไม่กลัวหายด้วยนะ <c oughs> ไปไหนเขให้ถอดรองเท้าล้วถอดเดย่างสบายใจเลยหายเราก็เดินเท้าเปล่าอ <c oughs> สบายไหมสบายปัจจุบันสบายนะอนาคตก็สบาย ศีลทําให้มีสุขติคนเราลงมั่นใจว่าอนาคตดีกว่าปัจจุบันชีวิตมันมีความสุขนะไอ้พวกที่ตะกายกันแกลกแๆล ก, ก, ก, กทุกวันเนี้มันไม่มั่นใจในอนาคตไอ้คิดว่าจะต้องหาหลักประกันให้กับตัวเองโดยการมีอํานาจมากๆแล้วอนาคตน่าจะดีมีเงินมากๆมีพวกมากๆากอนาคตคงจะดีบางคนอยากมีลูกมากๆแก่แล้วลูกจะได้เลี้ยงอะไรเงี้ยน่าสงสารความคิดอย่างนี้ มันหมดยุคหมดสมัยแล้วแล้วเรามีศีลมีธรรมไว้นะถัดจากนั้นมาหัดรู้สึกตัวจําได้อย่างสอนเมื่อวานเนี้ยหัดรู้สึกตัวให้เป็นการที่จิตใจเรารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละจิตมีสมาธิละเป็นสมาธิชั้นดีด้วยไม่ใช่สมาธิหรือสีชีพลาสมาธิอย่างหรือสีชีไพลมันก็ดีเหมือนกันเอาไว้พักผ่อน มีมีก็มีประโยชน์นะไม่มีก็ไม่ถึงกับตายหรอกในความเป็นจริงแล้วพระอรหันพระรลหันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ทรงฌานหรอกพระอราหันต์ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างพวกเรานี่แหละคนธรรมดาอย่างนี้แหละไม่ใช่เข้าฌานได้ซะก่อนแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาเป็นพระอราหันต์ในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้พระ ที่แวดล้อมท่านอยู่ดูท่านบอกในจํานวนพระอราหันต์ห้าองค์เยอะนะพระอราหันต์ห้าร้อยองค์ในพระอราหันต์ห้าร500้อยองค์นะเป็นพระที่ได้วิชาสามหองค์วิชาสามก็คือระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์คนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนี้ยรู้แล้วก็ล้างกิเลสได้เนี่ยมีแค่60องค์คนได้วิชาสามเนี่ยต้องได้ชนัน ในจำพวกนี้ในพระละหันห้าร้อยองค์้วมีอีก60องค์ได้อภิญญาหเช่นได้อิทฉิวิจีพว้นี้รีเดเยอกว่าพวกวิชาสามได้หูทิพได้ตาทิพอะไรได้ยานอย่างรู้ใจคนอื่นก็ล้างกิเลสได้มี60องค์คนที่ได้อภิญญานี่ก็ต้องทรงฉันนเล่นสมาธิเล่นอะไรมาอีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุติ แม่ได้วิชาสามหกสนะได้อภิญญาหกหกอุปโตภาควิมุตเนี่ยมี 60. อีกหกอุปโตภาควิมุตนะิหมายถึงอะไรหมายถึงหลุดโดยส่วนทั้งสองหลุดจากรู ป, ปรธรรมนะโดยการได้ถึงอรูปฌานนะเพราะฉะนั้นอุปโตภาคเนี่ยจะต่างกับวิชาสามอภิญญาหกเพราะอุปโตภาคเนี่ยจะได้ถึงอรูป พ้จากรูปด้วยอรูปฌานพ้นจากนามนธรรมด้วยวิปัสสนาญาณเพราะงั้นจะชํานาญทั้งสมาธิทั้งปัญญานั่นแหละแต่จริงๆทุกๆชํานาญทั้งสมาธิทั้งปัญญาอุปโตภาคนี่ขึ้นไปจนถึงอรูปฌานตั้งแต่โสดาขึ้นไปนั่นก็จะได้อรูปฌานบรรลุพระโสดาในในอรูปฌานบรรลุแต่ละขั้นแต่ละขั้น รวมความแล้วก็คือ60สบวกหบวกสบนะร8อยปอีก320สคืออย่างพวกเรานี้แหละไม่มีฌานอะไรกับใครเขาหรอกเรียคนธรรมดาเรียกพระอราหันต์สุขาวิปัสสกะนี่ขนาดสมัยพุทธกาลนะ 64% อร์ซ์มาจากคนธรรมดาไม่ได้คนทรงฌานสมบัติอะไร มายุคเราเนี่ยต้องเกินหกสบสี่แล้วคนเล่นฌานสมาบัติยิ่งน้อยลงน้อยลงเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้เล่นไม่ไหวจะไหว ย, ยังไงนะแค่นั่งรถผ่านมอเตอร์เวย์มานะเห็น Cut out, คัดเอาโฆษณานะีมีแต่เรื่องกิเลสเท่านั้นเลยโฆษณาสังเกตไม่ป้ายโฆษณาเนี่ยมันยั่วอะไรยั่วราคากับยั่วโทสะนะมียั่วราคากับยั่วโทสะยั่วราคาเช่น เห็นอนนี้สวยงามเห็นนี้ทันสมัยถ้าได้มาแล้วดีอะไรเนี่ยสวยงามเท่ทำให้อยากได้อีกพวกหนึ่งเห็นแล้วมีโทษะดูแล้วโหเราตำต้อยเพราะเราไม่มีมือถือยี่ห้อนี้ใช้ตำต้อยถ้าทางถูกเหยียดหยามอย่างงี้มีนะป้ายแบบทางก้าวราวก็มีป้ายแบบ จูงใจให้อยากได้ก็มีป้ายให้รู้สึกว่าเราต่ําต้อยต้องตะเกียกตะกายหาอย่างเขาบ้างก็มนะีมีอยู่อันเดียวนะที่น่าดูอยู่ตรงด่านเก็บเงินอะอะไรนะให้มีสติมีอยู่ป้ายเดียวที่เห็นนะนังนั้นป้ายธรรมดังนั้นเองหลอกหลอกให้โลภหลอกให้โกรธวันหนึ่งวันหนึ่งเราบริโภคข้อมูลที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านเนีย่ยเยอะมหาศาล เปิดทีวีขึ้นมามีแต่ข้อมูลทําให้จิตฟุ้งซ่านธรรมะหลวงพ่อประมว่ก็ไอยู่แต่ในเคเบิลทีวีอะไรเงี้ยทีวีทั่วๆไปมีแต่เรื่องกิเลสเนาะหนังสือพิมพ์เปิดขึ้นมามีแต่เรื่องกิเลสนะเรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งะเรารับข้อมูลข่าวสารที่ทําให้ใจแกล้งเนีะยเยอะแยะเลยเหมือนมีหลักขังอยู่ลูกนะมีคนตีเยอะแ ย, ยะเลยตีสละรอบทิศ ท, ทางเลย มันก็กระเทือนอยู่งั้นนะก็เพื่อมไหวอยู่งั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถูกโจมตีมาทั้งหช่องทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีใครเข้ามาโจมตีนะทางใจก็เอาเองคิดนึกปรุงแต่งเวงให้ใจมันก็ะเพื่อมหวั่นไหวอยู่เองั้งใจก็เพื่อมก็เพื่อมก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาเลยใช้หาความสงบความสุขความนิ่งอะไรไม่มีหรอกหายากจะทําสมาธิให้เข้าฌาน จิตยังไม่ทันสงบเพราะแฝงซิกแล้วนะงั้นรุ่นเราเนี่ยจะไปหวังว่าทําสมาธิเข้าฌานให้ได้ก่อนแล้วมาเจริญปัญญานะมันคงไม่มีโอกาสเจริญปัญญาเท่าไหร่หรอกคงได้ไม่กี่คนหรอกเพราะว่าไม่สงบสักทีเราก็ต้องดูตัวเองให้ออกนะว่าเรามีเงื่อนไขยังไงเรามีข้อจํากัดนะเรามีความสามารถอะไรเรามีข้อจํากัดอะไรต้องรู้จักตัวเอง ข้อจำกัดของเราก็คือเราทำฌานยากในยุคนี้นะใจเราก็เพิ่มตลอดเวลาเลยวุ่นวายตลอดเวลาไม่เหมือนคนโบราณนะเขาทำไล่ทำนาปี ป, ปีงมีเรื่องคิดไม่มากเท่าไหร่ของเราวันหนึ่งวันหนึ่งนะรับข้อมูลเข้าไปมาหาศาเลเเป็นก่อนโน้นไปต่างจังหวัดไปเขาไปนิมนต์ะปเทศอะไปนั่งชั้นข้าวเห็นทีวีกำลังมีข่าวนะ รูปก็เรื่องหนึ่งนะมีตัววิ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเราดูแล้วลง ง, งจะเสพอันไหนวะดูฟังไปข้างบนนะข้างล่างก็ดับมาดูข้างล่างนะเสียงข้างบนก็ดับนะจิตมันเกิดดับแท้ที่ลักษณะโอ้มนุษย์ยุคนี้น่าสงสารนะมีตามีหูแค่เนี้ไม่พอที่จะรับข้อมูลแล้วยัดข้อมูลเข้ามาเยอะแยะเลยนะนะเต็มไปหมดเลยงั้นเราโอกาสนะนี่เป็นข้อเป็นจุดด อ, อนจุดด้อยของพวกเราในยุคนี้นะ เราทำฌานยากจุดเด่นของเรามีไหมมีจุดเด่นที่มหาศาลเลยของเราก็คือกิเลสของเราเกิดทั้งวันเลยกิเลสของเราหลากหลายถ้าเรามีสติมีปัญญาพอนะเราทำกันบ้านได้ทั้งวันเลยเราทำกรรมฐานให้พอหมาพอควรกับที่เราทำได้เข้าฌานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรกิเลสอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันบ่อยๆ เราต้องมองเห็นรูปบ่อยๆใช่เราต้องฟังเสียงบ่อยๆแทนที่จะฟังแล้วก็มากรุ้มใจว่าจิตฟุ้งซ่านพลิกมันเลยแทนที่จะมุ่งไปหาสมาธิก่อนนะมุ่งมาที่ปัญญาซะก่อนไหนๆก็ต้องเห็นรูปบ่อยๆแล้วทุกคราวที่เห็นรูปรู้ทันจิตทุกคราวที่ได้ยินเสียงรู้ทันจิตทุกคราวที่ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสรู้ทันจิตทุกคราวที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งรู้ทันจิต มันเหมือนข้อะหระคังที่ว่านะพอเคราะห์แล้วมันกระเถือนกับเพิ่มขึ้นมาแทนที่จะไปคอยระวังไม่ให้คนมาเคาะหระคังนี้มันระวังไม่ทันแล้วคนแย่งเงินตีไม่ต้องไปกลัวมันนะใจมันก็เพิ่มขึ้นมาดูอยู่ที่เดียวไม่ต้องไปดูไม้ตีระคังนะเยอะแยะไปหมดเลยนะดูที่ระคังคือใจที่ไหวนั่นแหละตามองเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรงแต่งจิตก็ไหว เรารู้ทันความไหวของจิตไปไม่ไปห้ามการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ห้ามเลยนะห้ามไม่ทันแล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ต้องไปห้ามปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบไปแล้วกให้จิตมันกระเพื่อมวันไหวไปตามธรรมชาตนะิความต่างของเราระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติมีนิดเดียวเองก็คือเมื่อจิตกระเพื่อมวันไหวขึ้นมา มันจะเป็นความสุขขึ้นมาก็ได้เป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เป็นความเฉยๆขึ้นมาก็ได้เป็นกุศ like ล, ลขึ้นมาก็ได้เป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็ได้อะไรก็ได้นะที่มันไหวขึ้นมามันปรุงขึ้นมาในจิตอย่างตาเห็นรูปนะเห็นรูปพระนะีจิตเกิดเลื่อมใสจิตเกิดศรัทธาเกิดกุศลขึ้นมาอีกวันหนึ่งเห็นรูปพระจิตเกิดสงสัยนะ ว่าพระจะดีๆจะมีแล้วยุคนี้น่าจะไม่มีแล้วละ่นะมีแต่เราดีคนเดียวพระก็เลวหมดแล้วนะ <c oughs> นะจิตเกิดอกุศลแล้นะเนี่ยเราก็รู้ทันนะเห็นนางแบบสวยแมแฟนเราทํำไมไม่สวยอย่างนี้ในโทสะเกิดนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์นะใจมันจะเปลี่ยนแปลง น, นะกระทบแล้วเกิดความสุขบ้างกระทบแล้วเกิดความทุกข์บ้างบางทีกระทบแล้วก็เฉยๆนะ บางทีกระทบแล้วก็เกิดกุศลบางทีกระทบแล้วก็โลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปนี่แหละกรรมฐานที่เหมาะกับคนฟุ้งซ่านในยุคนี้นะคนที่ถูกไม้ตีระคังมันเคาะระคังสะรอบตัวเลยจะไปห้ามไม่ให้มันตีห้ามมันไม่ทันหรอกมันมีตามันมีหูมันมีจมูกมันมีลิ้นมันมีกายมีใจยังไงมันก็ต้องกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนทำมารมห้ามมันไม่ได้หรอกเมื่อห้ามมันไม่ได้นะ ปิดกั้นไม่ได้ใจก็ะเพื่อมบั่นไหวจะไปตรึงใจไม่ให้กระเพื่อมบั่นไหวก็โง่อีกเหนื่อยตายเลยโดนเขาตีหลักคังนะตีกันรอบตัวนะีว่ไปจับหลักครังไม่ให้กระเทือนเลยนะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมที่เราจะทําได้ถ้าเข้าฌานอยู่ทําได้อยู่เข้าฌานอยู่ถ้าเข้าฌ า, นะ า, า, า, า, านลึกจริงๆฟ้าผ่านะจิตยังไม่กระเพื่อมเลยอันี้ไม่ต้องฟ้าผ่าหรอกนะแมงวันตัวเดียวบินมาใกล้ๆจมูกยังใจกระเพื่อมเลย จริงไหมโอ้ยิ่งถ้ามาสองตัวก็เพิ่มมากขึ้นถ้าเราอยู่ในที่โล่งๆแล้วแมงวันมาเนี่ยงุดหงิดน้อยหน่อยถ้าอยู่ในรถแล้วแมงวันมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยอออื mm ื hmm. นคนต้องจอดรถตีกับแมงวั น, นทนไม่ได้อย่าไปห้ามมันห้ามมันไม่ได้ก็ดูมันไปเราจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะ เดี de, de ๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะห้ามมันจะไปบังคับมันให้นิ่งกลับมาดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูตามรู้ตามดูมันเรื่อยไปเนี่ยเราต่างกับคนทั่วไปตรงที่เราคอยตามรู้ตามดูจิตใจของเราเอง การดูจิตดูใจเนี่ยเป็นกรรมฐานนะที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้ชาญก็คือคนรุ่นเหล่านี้เองนะคนรุ่นเหล่านี้เองเราไม่ได้ชานงันเราจะไปดูกายดูเวทนาเนี่ยกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกมีอย่างละสองนะ สมาายานิกเนี่ยก็ไปดูกายกับเวทนานะถ้าต้องทําฌานก่อนถึงจะดูกายกับเวทนาได้ได้ดีอย่างถ้าเราไม่มีฌานนะไปดูความเจ็บปวดนะทุรนทุรายทนไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็คลุ้มคลั่งไปซะกอ่อนแะล้วไปดูร่างกายมันจะทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปไม่ได้ถ้าสมาธิไม่พอมันจะเห็นแต่สมมุติบัญญัติเห็นแต่ผมเห็นแต่ขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูก ไม่ใช่รูปเป็นแค่ร่างกายต้องทะลุรูปต้องทะลุ ก, กายเข้าไปเห็นรูปถึงจะทำมิปัสสนาได้อะไรเป็นรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นรูปนะงั้นถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเห็นรูปที่ซ่อนอยู่ในกายได้อย่างเราดูผมหนึ่งเส้นในผมหนึ่งเส้นเนี่ ย, ใ น, นนนยในความเป็นจริงแล้วประกอบด้วยดินน้ำไฟลมครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยในผมเส้นเดียวนี่ ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนั่นเองนะถ้าสมาธิเราไม่พอเราไม่เห็นหรอกนะงั้นถ้าเราไม่ได้ท่งสมาธินะกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้ท่งสมาธิก็คือจิตตานุปัสสนานะการธรรมานุปัสสนาและจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาต้องมีปัญญาแก่กล้านะกายกเวทนาก็เหมือนกันนะ กายเนี่ยดูง่ายเวทนาเนี่ยต้องมีปัญญาแก่กล้าถึงจะทําได้นั่นนั้นมีสองสองพวกนะสองปีกแล้วแต่ละปีกเนี่ยมีสองอันกายอันหนึ่งเวทนานหนึ่งกายเนี่ยของคนทั่วๆไปเวทนาของคนปัญญากล้าอีกปีกหนึ่งเนี่ยจิตกระทำจิตเป็นของคนทั่วไปทําเป็นของคนปัญญากล้าพวกเราปัญญากล้าไหม ไม่ปัญญากล้าพวกเรารุ่นนี้บารมีน้อยนะพวกเราปากกล้าปัญญาไม่กล้าหรอกเรามีอะไรนะเอาเอาจิตมาไว้ที่ปากเนาะมีอะไรก็พูดโพร่งโปร่งโปร่งโปร่งไปนะปากกล้าปัญญาไม่กล้างั้นดูจิตไปนะดูจิตไปถ้าคนไหนทำฌานได้ก็ดูกายไป วิธีดูจิตก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่ห้ามการกระทบอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วก็ไม่ไปบังคับจิตให้นิ่งจิตจะกระเพื่อมจิตจะวันไหวก็ให้มันกระเพื่อมวันไหวไปเรามีหน้าที่อันเดียวก็คือตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเราจะเห็นเลยว่าเออกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วเกิดสุกขกระทบอารมณ์อย่างนี้จิตมีความทุกข์ขึ้นมากระทบอารมณ์อย่างนี้เฉย กระทบอย่างนี้เกิดกุศลกระทบอันนี้เกิดอกุศลขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยก็ไม่เที่ยงนะจิตดีมีศรัทธาก็ไม่เที่ยงนะจิตมีความเพียรขยันมันเพียรก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ขี้เกียจละนะจิตมีสติก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ขาดสติไปแล้วจิตมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามแยกออกไปก็ไม่เที่ยงประเดี๋ยวหนึ่งก็กลับมารวมกันใหม่ละ นี่มีแต่ของไม่เที่ยงโลภก็ไม่เที่ยงนะโกรธก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงอย่างเวลาอกหักเศร้าอกเศร้าใจนะไม่เห็นต้องทําอะไรเลยเพราะความเศร้าใจก็ไม่เที่ยงนะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะั่งหลวงพ่อพิเทเสธในงานศพนะที่วัดศรีมหาราชาชาชาวบ้านชาวบ้านนี่แหลนะมานิมนตนะ์เราว่างๆเอาพิาเทเสธให้ดีเขานิมนต์ผ่านพระ รู้จักกันอยู่ไปเทศให้เขาหน่อยชาวบ้านแท้ๆเลยนะผู้หญิงนั่งร้องไห้นะตาแดงตาบวมเลยสามีตายสามียังหนุ่มๆอยู่นะเป็นมะเร็งตายในเวลาไม่กี่เดือนหรอกป่วยขึ้นมานะแป๊บเดียวตายเลยนั่งร้องไห้อยู่ก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนี้แกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูก็หายเศร้า พ่อแม่หนูเคยตายหนูเคยผ่านความทุกข์แสนสาหัสมาแล้วหนูรู้ว่าความทุกข์นี่ไม่คงที่อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูก็หายสักปีสองปีหนูก็หายอย่างเงี้ยนะบอกหนูพระพุทธเจ้าไม่ได้รอสองปีสมปีหรอกนะถ้าหนูภาวนาจริงหนูภาวนาเป็นหนูหายตั้งแต่ตอนนี้เลยเรื่องอะไรต้องเศร้าตั้งสองปีให็นไหมนี่คนทั่วๆไปเศร้าปีสองปีหายหายตามธรรมชาติเพราะความเศร้าโศกไม่เที่ยง นะแต่ถ้าเจริญสติเจริญปัญญาเป็นนะทันทีที่สติระลึก ร, รู้ว่าเศร้านะมันขาดสะบั้นเลยแลถ้าเกิดปัญญายอมรับความจริงได้ว่าคนมันต้องตายนะยังไงเราก็ต้องพลัดพลากจากคนที่เรารักนะไม่พลากวันนี้ก็ต้องพลากวันข้างหน้านะยังไงเราก็ต้องจากสิ่งที่เรารักที่เราพอใจนะถ้ายอมรับความจริงตรงนี้ได้ถ้ายอมรับได้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราจะหายเศร้าถาวรเลยแค่เรามีสติ รู้ว่าใจเศร้านะความเศร้าก็ดับแต่ดับชั่วคราวเพราะมันดับด้วยสติแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นความจริงความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ตายนะความตายของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเศร้าใจแต่ตัณหาตัณหาที่ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาคนอื่นเขาตายสามีตายนะแต่เราไม่อยากให้เขาตายนะเราถึงทุกข์นะ mm. ถ้าปัญญามันแจ้งถึงขนาดนี้รู้เลยว่าความตายไม่ได้ทาให้เราเป็นทุกข์นะ ความตายของคนอื่นนะการที่เราไม่อยากให้เขาตายต่างตัณหาตัางห า, ห า, งหาทําให้เราเป็นทุกข์แกฟังเท่นะแกยิ้มเลยนะยิ้มตาตาใสขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมาเลยนะแต่เดี๋ยวหลงพ่อกลับแล้วพวงมืนใหม่ก็ <c oughs> ยังไม่ได้ฝึกนะอันนี้ใจมันรับกระแสธรรมะผงสว่างขึ้นมะเนี่ยดูไปนะดูจนกระทั่งใจเราเห็นความจริงเใช่ไหมแก้ด้วยสติอันหนึ่งนะแก้ด้วยปัญญาอันหนึง่งแก้ทุกข์นี่แหละ ถ้ า, ามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสนะจะดับทันทีเลยความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวนะแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นความจริงของรูปของนามนะอย่างก็เห็นความตายรู้เลยไม่มีใครตายถ้าปัญญาแก่รอบจริงนะรูปมันแตกรูปมันแตกเท่า น, นั้นเองไม่ใช่คนตายอย่างเราแก่ไม่ใช่เราแก่นะรูปมันแก่ไม่ใช่เราแก่รูปมันแก่ น, ะ น, กนี่เรียกว่าชราตาความแก่ รูปมันตายเป็นอนิจจารูปมันตายไม่ใช่เราตายนี่ถ้าเห็นความจริงลงไปแล้วไม่ทุกนะไม่ทุกไม่เศร้าหายทันทีหายถาวรด้วยถ้าหายด้วยปัญญาถ้าหายด้วยสตินี่หายเป็นค่าวๆหายด้วยสมาธิเป็นคราวๆหายด้วยสตินะหายทีละแว็บเดียวหายด้วยสมาธิก็หายอยู่ชั่วกําลังของสมาธินะอาจจะวันหนึ่งสองวัน3วันไม่เกิน7วันถ้าหายด้วยปัญญาเนี่ยหายแล้วหายเลยไม่โผล่ขึ้นมาอีกล้ ถ้าเรามาฝึกตัวเองนะคอยรู้ทันจิตใจของเราไปเพื่อให้มันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไปจนในวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันยอมรับความจริงทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวหมดเลยอะไรๆก็ของชั่วคราวหมดเลยแล้วไม่ใช่ตัวเราที่ถาวรตัวเราที่ถาวรไม่มีถ้าจะเห็นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญางั้นภาวนาไปนะ ภาวนาเท่าที่เราทำได้นี่แหละไม่ต้องไปนั่งกลุ้มใจว่าเข้าฌานไม่เป็นไม่จาเป็นหรอกคนที่คิดว่าต้องเข้าฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้นะพวกไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจที่พรุทธเจ้าสอนหรอกแต่ว่าการทำสมาธิไม่ใช่ของต่าต้อยนะถ้าทำได้ให้ทำเอาไว้พักผ่อนถ้าเราไม่ทำสมาธิเลยจิตใจไม่มีแรงหรอก อย่างหลวงพ่อเขาพยายามแอปไลการทำสมาธิไม่ได้ให้ทำมากเพราะทำไม่ไหวบอกให้ทำในรูปแบบนะทุกวันทำา10นาที15นาที20นาทีเบื้องต้นทำแค่นี้ก่อนนะพุโทโธไปหายใจไปจิตนีไปคิดรู้พุทโธไปหายใจไปจิตนี้ไปคิด ร, ด ร, ดรู้อะไรเงี้ยนะหรือจิตไปเพ่งอยู่เรารู้ฝึกไปเรื่อยนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเองนะสติก็เพิ่มสมาธิก็เพิ่มนะพอออกมาเดินปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันยังไม่ได้ปัญญา เียาก็ครบนะได้สติสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ขึ้นมาศีลเสนออะไรก็ได้เองแหะอัตโนมัติเลยขอให้มีสติรู้ทันจิตตนเองเท่านั้นแหละศีลมันเกิดถ้ามีสติรู้ทานจิตตนเองนะสมาธิเกิดถ้ามีสติรู้ทันจิตตนเองได้ปัญญาก็เกิดศีลสมาธิปัญญาพอเกิดแล้วเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตดวงเดียวนั้นเองในขณะที่มันประชุมลงที่จิตดวงเดียวนั้นฌานอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเกิดเองนะถึงไม่เคยเข้านะ ในนาทีนั้นเนี่ยเข้าฌานเองเลยแลอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราทนะําหน้าเราอย่าไปน้อยใจว่าเข้าฌานไม่เป็นเหมือนคนครั้งพุทธการครั้งพุทธการส่วนใหญ่ก็เข้าไม่เป็นนั่นแหละนะยุรุ่นเรายิ่งเข้ายากใหญ่งงั้นเราทําในสิ่งที่เราทําไดนะ้อย่าไปมองคนอื่นว่าเขาทาอะไรที่เราทําไม่ได้ดูแล้วท้อใจงั้นะเราจเจริญสตินะ รักษาศีลไว้ก่อนแล้วก็ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นสมาธินะพอ จ, จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คอยดูกายดูใจมันทํางานไปมันทานํางานยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วใจก็เพื่มวันไหวขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้มารู้ทันพอรู้ทันแล้วไม่รู้แบบเป็นกลางอีกความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เกลียดเนี่ยให้รู้ซ้อนลงไปอีกว่าจิตมันปฏิเสธความทุกข์ละความสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นกลางเป็นหลงยินดี ให้รู้ซ้อนลงไปว่าจิตยินดีแล้วกุศลเกิดนะจิตดินดีเอกุศลเกิดจิตก็ยินร้ายนี่ให้รู้ลงไปอีกนะรู้ซ้อนลงไปอีกทีจิตจะเป็นกลางขึ้นมาแล้วคราวนี้เรารู้ทุกอย่างด้วยจิตเป็นกลางดนะ้วไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกลัวว่ามารผลไม่เกิดนะเกิดเร็วด้วยซ้ําไปนะเกิดเร็วกว่าพวกที่เอาแต่นั่งสมาธินอนไม่ยอมเดินปัญญาถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่มีปัญญาเลยกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอก ยังไงถึงนั่งสมาธินั่งออกจากสมาธิมาก็ต้องมาแยกธาตุแยกขันเหมือนที่พวกเราหัดทำนี่แหละนะอะไปทานข้าว